จเจริญพรทุกท่านเราเรียนธรรมะในยุคนี้นต้องช่วยตัวเองเรียนเหมือนเรียนมหาวิทยาลัยพ่อเมาบอกแนวทางให้พวกเราต้องไปศึกษาต่อเองลำพังจะให้ครูบาอาจารย์มาป้อนให้ไม่พอหรอกนะกิเลสมันป้อนเราทั้งวันเลยเดี๋ยวป้อนเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสู้มันไม่ไหวหรอก ถ้าต้องอดทนเอาต้องค่อยๆศึกษาเอาธรรมจริงๆไม่ใช่ของยากหรอกแต่ว่ามันไม่น่าสนใจคนในโลกเนี่ยสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสสนใจเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินกันที่จะมาสนใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองมีน้อยที่มีน้อยเพราะไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไง ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองได้นะเรายัางพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคําสอนของท่านที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดเลยนะที่เป็นแก่นสารสาระจริงๆในคําสอนของท่านคือเรื่องอริยสัจนั่นเอง อริยสัจสำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่ายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจคือจะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆอริยสัจข้อแรกก็คือการรู้ทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามคือกายคือใจเราเองแค่บอกให้มาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองคนส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้นะเพราะมันไม่สนุกมาดูกายของเราจะมีสนุกอะไรดูกายคนอื่นดูสนุกกว่า หรือรู้ทันใจของตัวเองมันจะสนุกอะไรฝึกภาวนาไม่กี่วันออกไปรู้ใจคนอื่นรู้สึกเก่งสนุกสี่มีการเรียนรู้ตัวเองก็เลยไม่เกิดขึ้นสักทีไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าทำก็ทำได้แต่ไม่รู้ว่าควรจะทำละลานเลยการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกนะถ้าเราทำเราก็ทำเป็นการที่จะรู้ความจริงของกายของใจทุกคนมีกายทุกคนมีใจอยู่แล้ว ทำไมเราจะรู้ไม่ได้นี่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่สนใจเราไม่รู้ว่ามันสำคัญคนทั้งหลายนะเที่ยวหาความสุขตลอดเวลานะเที่ยวหนีความทุกข์ตลอดเวลาจะไปหาความสุขที่ไหนล่ะในเมื่อกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ตัวเรานี่แหละตัวทุกข์งั้นจะเที่ยวหาความสุขจากที่อื่นเหรอมันหาไม่ได้คล้ายๆเราเป็นโรคร้ายในตัวเองอยู่แล้ว จะเที่ยวหาว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะดีจะมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะเราเป็นโรคร้ายอยู่ในตัวเราเองโรคร้ายที่สุดก็โรคกิเลสนี่แหละงั้นเราต้องพยายามตวนกระแสของชาวโลกเขาชาวโลกเขาสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดเราสนใจในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตัวเอง ตาหูจมูกลิ้นกายก็คือส่วนของร่างกายนะใจก็ส่วนของนามรทมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองวันหนึ่งเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถ้าเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจได้เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เราคิดหรอกความรักความหวงแหนในร่างกายในจิตใจจะลดลงลดลง พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพระหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะใจมันจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่เราไม่รู้แรกเลยไม่รู้ว่าควรจะต้องทําไม่เห็นความสําคัญเราหาความสุขนะเราเที่ยวหาความสุขนาน า, น า, นานชนิดไปดูหนังไปฟังเพลง คุยกับเพื่อนไปแชทไปไลน์ไ ป, chat, ไ ป, line, ไปทําอะไรต่ออะไรสารพัดเที่ยวหาความสุขมันไม่มีของที่แท้ จ, จริงอยู่ข้างนอกมีแต่ของชั่วคราวแต่ถ้าเราพาวนาเข้ามาถึงจิตถึงใจเราได้รู้ความจริงของกายของใจได้วางได้เนาะมันมีความสุขอันมหาศาลนะร่างกายแกนะ่แต่ใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บใจก็มีความสุขร่างกายจะตายใจก็มีความสุข เจอสิ่งที่ชอบใจเจอคนที่ชอบใจนะก็คนที่ชอบใจมันหายไปสิ่งที่ถูกใจมันหายไปใจก็ยังมีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็มีความสุขได้มีความสุขอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้ถ้าใจได้ฝึกเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วนี่พวกเราบอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธถามว่าเป็นยังไง ถึงปีไปทอดกระินชาวพุทธไปใส่บาตรวันเกิดเกวใส่บาตรเวลาตายหามาไปเผาในวัดนี่เป็นชาวพุทธนะไกลกับความเป็นพุทธามากเลยพุทธาคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงไม่ต้องมาปลูกใจของเราขึ้นมานะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้แล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้ได้ ถ้าเราล้ะเลยสิ่งเหล่านี้แล้วเราห่างไกลความเป็นพุทธนะในโลกบอกมีชาวพุทธตอนหลวงพ่อเด็กๆนะตอนชาวพุทธเนี่ยมากที่สุดสาศาสนาพุทธเนี่ยมากที่สุดลองลงมาก็เป็นคริสต์เป็นอิสลามอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสํารวจใหม่แนละ้วชาวพุทธตกไปเป็นที่สามแนละเหลือระดับร้อยล้านนะ่ะไม่กี่ร้อยล้านนะ่ะไม่กี่ร้อยนะล้านมันจะอยู่ กระจุกอยู่ทางเมืองไทยเมืองลาวมเมืองเขมรเมืองพมา่าลังกาอะไรอยู่กระจุกแถบนี้แล้วถามจริงๆอย่างคนไทยเจ8 0ล้านเป็นพุทธกิลคนเป็นแต่ชื่อไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในความเป็นจริงก็คือพระพุทธศาสนานะใกล้จะศูนย์เต็มทีแล้วเกือบจะศูนย์อยู่แล้ว ถ้าหากพวกเราไม่รู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราตายกันหมดแล้วคนที่รู้จักตายหมดแล้วก็คือหมดไปแล้วเงั่นหน้าที่เราต้องเรียนเอาไว้อย่าคิดเอาเองศา ส, สนาพุทธคิดเอาเองไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิที่เราจะคิดเอาเองเราสาว ก, กภูมิไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นปัจเจ ก, กพุทธะที่จะรู้ได้เราก็ต้องอาศัยการฟัง สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านสอนให้ทําอะไรเราก็ต้องทําท่านสอนให้ละอะไรเราก็ละบางคนออก็หมักง่ายนะบอกปฏิบัติทําไม่มีอะไรรู้ลูกเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ลูกเดียวทําบางอย่างท่านก็ให้ละทําบางอย่างท่านให้เจริญเราต้องดูเป็นเรื่องๆไปอันแรกเลยที่ต้องมีคือศีลพวกเรา ในห้องเนี้สนใจมาฟังเทศเนี่ยไม่ใช่คนปกตินะคนหายากคนในโรงพยาบาลจ้างเยอะจั้งแยะมาฟังเทศห้องประชุมเดียวแค่นี้แหละหรือคนในเมืองลำปางมีทั้งเท่าไหร่มาฟังนิดเดียวเนี่ยพนันจริงๆแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยมากๆเลยเป็นคนส่วนน้อยถ้าเราไม่ได้ศึกษานะต่อไปก็สูญไปกว่ า, าศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ว่าพระพุทเจ้าจะตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าทสาวคุูบาจารย์จะรักษาสืบทอดมาถึงรุ่นพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าเราจะเข้าใจก็ไม่ง่ายเหมือนกันกว่าจะสืบทอดไปได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันงั้นต้องอดทนนิดหนึ่งนะหลวงพ่ออยากชวนพวกเราที่ไม่เคยเรียนไม่เคยฟังลองฟังดูไปเปิดซีดีฟังดูที่หลวงพ่อเทสเอาไว้มีเยอะแยะ คนที่ฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะหรือดู YouTube ดูอะไรเนี่ยเดือนสองเดือนสามเดือนนะใช้เวลาไม่นานหรอกเขาพบว่าชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนธรรมะของพระเทเจ้าสามารถเปลี่ยนใจเราได้ในเวลาสั้นใช้เวลานิดเดียวนะในการเปลี่ยนใจของเราเองจากใจที่รุ่มหลงลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันทั้งคืนมาเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว จิตใจอยู่กันเน้อกับตัวแล้วเนี่ยพอมาเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกขแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แยกออกมาอีกส่วนหนึ่งคําว่าส่วนคําว่าส่วนในภาษาไทยก็คือคําว่าขันในภาษาบาลีนี่พวกเราเคยได้ยินคําว่าขันห้าไหมขันห้ า, า, าห้าส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุก ส่วนของความจําได้ไหมายรู้ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วนะส่วนของความรับรู้เนะี่ยห้าส่วนถ้าเราฟังซีดีหลวงพ่อนะสักพักเดียวเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันแตกกระจายออกไปเป็นส่วนส่วนได้แล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงแต่ละส่วนถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งเนี่ยนะ ถึงวันหนึ่งใจมันจะฉลาดขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็จะเห็นได้ว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะเพราะฉนั้นร่างกายมันแก่ร่างกายไม่ใช่ของดีของมีเศษร่างกายเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่ผสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันเจ็บผสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันตายผสมน้ำหน้ามันนะใจมันล่าเริงนะใจไม่เศร้าหมองเลย ใครที่เจออารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจจิตเป็นคนเจออารมณ์ที่ถูกใจอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอย่างคนที่เรารักเนี่ยใครรักจิตมันรักไม่ใช่ร่างกายรักนะร่างกายรักใครไม่เป็นสิ่งที่เราเกลียดหรือคนที่เราเกลียดเนี่ยใครมันเกลียดจิตใจมันเป็นคนเกลียดไม่ใช่ร่างกายเกลียดนี่ถ้าเราเห็นความจริงลึกซึ้งถึงขีดสุดนีกระทั่งจิตนี่เองไม่ใช่เราใครมันเกลียดจิตมันเกลียดใครมันรักจิตมันรักนะ ใครมันสมหวังใครมันผิดหวังจิตมันทำไม่ใช่เรานะมันไม่มีเรามันจะพบว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกขนะ์ร่างกายจิตใจขันท่ามันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำเนี่ยใจมันจะเข้าไปเห็นตรงนี้นะใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าฟังหลวงพ่อแล้วอดทนนะฟังแรกๆเนี่ยงงทุกรายละ่ะยากมากที่จะเข้าใจเพราะอะไรทำไมยากมากเพราะไม่เคยได้ฟัง หลวงพ่อภาวนา ม, มาตั้งแต่เป็นคารวะทําไมเราทําได้คนอื่นไม่ได้โง่กว่าเราสักคนบางคนฉลาดกว่าหลวงพ่อเยอะแยะเลยแต่เราอดทนเท่านั้นเองเราเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอี ก, เ ร, เ, รอกเราไม่เลิกหลวงพ่อก็ทนนะสอนสอนสอนมาเรื่อยทำซีดีทําหนังสือทำอะไรแจกแจกมาได้ตอนนี้คนที่ภาวนาเป็นนีนับจํานวนไม่ถูกแล้วเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่า ฝากซีดีมาแล้วหรือว่าได้เคยอ่านหนังสือมาแล้วนะหน้าตามันไม่เหมือนมนุษย์ปกติหรอกหน้าตามันฝ่องใสคนธรรมดาน้างหยิ่งๆเงอๆนะแต่คนตอนนาบเป็นมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบางบา ง, บางคนนะผู้หญิงเนะี่ยมาเรียนสามีตามมาเลยว่าถ้าไหมมาเรียนที่วัดหลวงพ่อแล้วเมียเราดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นเป็นแาบนี้แนละ้วมันเปลี่ยนไปนกระทั่งหน้านะ ทำไมหน้ามันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจที่มีความสุขเพราะหน้าตามันก็เบิกบานแจ่มใสแล้วหน้ามันก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนเคยขี้บ่นก็ไม่ขี้บ่นแล้ว ย, า ย, ยายแก่ขี้บ่นที่บ้านนะตายไปยายคนนี้กลายเป็นสาวๆที่มันไม่ขี้บน่นทําไมเขาลดการบ่นลงเขาเห็นอะไรบนมันก็เป็นกิเลสเขาเห็นแล้วเขารู้เท่าทันใจของเขาเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้ คนขี้เหล้าเมายามันมีสติขึ้นมามันรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยากกินเหล้าก็รู้ความอยากมันก็ดับนะความอยากก็ดับเคยโกหกเป็นไฟเลยหน้าตาเฉยก็รู้เท่าทันใจของตัวเองขึ้นมาโกหกไม่ลงแล้วโกหกแล้วมันละอายใจโกหกไม่ได้เนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาพฤติกรรมทางใจมันเปลี่ยนหมดเลย นั้นทำ ม, มากของพระเจ้าไม่ใช่ของกระจอกง้อยๆนะเป็นของที่เปลี่ยนเราได้จริงๆสมัยพุทธกาลรก็มมีพวกนักบวชศาสนาอื่นเป็นคนฉลาดมากนะชื่ออุบารีเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นลูกศิษย์ของนิครนศาสนาอื่นเป็นตัวเก่งของศาสนาเขาวันหนึ่งอยากจะมาโตวาทีกับพระพุทธเจ้ากะล้มพระพุทธเจ้านะ ตัวอาจารย์ของบารีบอกอย่าไปเจอพระพุทธเจ้านะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจใครไปพบแล้วใจมันเปลี่ยนนี่ไม่ยอมเชื่อมาพบพระพุทธเจ้าใจเปลี่ยนจริงจริงเปลี่ยนจากมืดบอดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนมาเป็นคนมีเหตุมีผลได้ได้ธรร ม, มะไปได้พวกเราเองก็เปลี่ยนได้อย่างบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งหลาย10ปีแล้ว นั่งสมาธิมาตั้งหลายสิปีแล้วเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่ได้เรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ถ้าได้เรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นๆไม่นานหรอกนะอยากลองเปลี่ยนดูไหมหรือเสียดายความโหดร้ายของเราถ้าอยากลองเปลี่ยนก็ลองฟังดูนะเปิดใจฟังดู ถ้าฟังหลวงพ่อเข้าใจที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเก่าเคยทุกข์มากเหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์กนนกสั้นถ้าบุญบา ร, รมีพออาจจะไม่ทุกข์เลยก็ได้ขั้นแรกเลยนะเราต้องถือศีลให้ได้ก่อนศีลไม่ต้องถือมากเราศีลห้าก็พอศีลห้ารู้จักใช่ไหมหลวงพ่อได้ไม่ต้องพูดวิธีที่จะรักษาศีลนี่ยทไม่ต้องรักษาก่อน ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยใจเราจะฟุ้งซ่านใจมันจะฟุ้งซ่าน ง, ง่ายอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นกับคนที่เมตตาคนอื่นเนี่ยคนไหนใจมันสบายกว่ากันคนที่คิดร้ายคนอื่นไม่มีความสบายใจใช่คนที่มีความเมตตาคนอื่นสบายใจคนที่คิดจะเอาของคนอื่นกับคนที่ให้คนอื่นได้ใครมีความสุขสบายใจกว่ากันเนีย่ยลองวัดอย่างนี้ดู คนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองกับคนที่คิดนอกใจสามีนอกใจปัญญาจิตใจของใครจะสบายกว่ากันนะดูอย่างนี้คนโกหกตอแหลหลอกลวงหยาบคายกับนะคนพูดความจริงคนไหนเหนื่อยน้อยกว่ากันพูดโกหกต้องใช้ความจํามากใช่ไหมยิ่งแต่โกหกคนนี้ไว้อย่างหนึ่งนะเจออีกคนนึงโกหกอีกอย่างหนึ่งไอ้สอคนมาเจอกันเนี่ยต้องโกหกอย่างที่3เอาตัวรอดให้ได้นะไว้เหนื่อยนะ ไมเหมือนพูดความจริงหอกพูความจริงไม่ต้องจำเนี่ยถ้าเราถือศีลได้นะใจเราจะสงบใจเราจะสบายใจที่สงบใจที่สบายเนี่ยมันพัฒนาต่อไปง่ายเพรั้นวิธีถือศีลเนี่ยไม่ต้องไปขอที่พระศีลนะห้าไม่ต้องไปขอใครที่เขต้องไปขอกับพระนะี่เป็นการปฏิญาณตัวเหมือนทหารสาบานทวงเท่านั้นแหละเวลาจะไปทําผิดศีลจะได้อายใจไม่เคยไปรับปากกับพระไว้แล้ว แต่ถ้าเราไม่ได้เจอพระตั้งใจเอาเองตั้งใจนะตื่นนอนมาตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวของวันก่อนกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ทําไมก่อนกินข้าวต้องตั้งใจเผื่อสําลักข้าวตาย Brandon. อยู่โรงพยาบาลเคยเจอไหมสำลักอาหารตายไม่แย่ไปหรือก่อนนอนทําไมต้องตั้งใจรักษาศีล5เผื่อตายไปนะจะได้มีศีล คิดไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนการที่ตั้งใจรักษาเนี่ยเป็นศีลขั้นต้นเท่านั้นเองมันมีวิธีรักษาศีลที่ดีวิเศษกว่านั้นอีกศีลเนี่ยเราทําผิดนะเพราะว่าใจของเราถูกกิเลสครอบงําอย่างเราจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปขโมยเขาไปประพฤติผิดในกรรมไปโกหกหลอกลวงดิ้นปล่อนไปโจมตีด่าเขาอะไรเนี่ยเพราะกิเลสชักนําทั้งสิ้นเลยหรืออย่างที่เรากลุ่มใจรุ่มใจก็เป็นกิเลสนะ ก็ไปกินเหล้าดีใจก็ต้องกินเหล้าฉลองเฮฮากิเลสทาไปทั้งสิ้นเลยถ้ามีสติจะกินเหล้าฉลองไหมไม่มีไม่มีใครทําอย่างนั้นเลยเพราะมันไม่ได้อยากจะกินที่เราทําผิดศีลห้าได้เนะี่ยเพราะกิเลสมันครอบงาจิตได้กิเลสครอบงาจิตได้เพราะเราไม่เห็นมันถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นนะมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันกิเลสจะกระเด็นออกจากใจเราในฉับพลันนั้นเลย นี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติได้เองคอยรู้ทันรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมโกรธเห็นใช่ไหมรู้จักโลภไหมโลภโลภโลภมันก็อยากเห็นอยากได้กลิน่นอยากได้รสอะไรนะอยากสนุกสนานทางใจนี่โลภทั้งนั้นเลยอยากสัมผัสนี่ก็โลภ ถ้าไม่อยากในโน้นก็ไม่ชอบในนี้ก็ไม่ชอบไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรเวลนอาการของใจที่มีโทสะมีความไม่พอใจเวลาโทสะเกิดนะมันจะผลักอารมณ์ผลักสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นออกไปซะเวลาราคะหรือโลภเกิดมันจะดึงเข้ามาหาตัวนะเวลาโลภก็อยากได้เข้ามาอยากเก็บเข้ามาเวลาหลงมันลืมตัวเองไปนะพวกเรารู้จักความโลภเราก็รู้จักความโกรธเราก็รู้จัก รู้จักฟุ้งซานไหมฟุ้งซ่านรู้จักหดหูไหมใครเคยหดหูยกมือให้ดูนะซิมีไหมหดหูหลวงพ่อด้วยเมื่อก่อนก็เคยหดหูนะหดหูมากเลยกระทั่งมาบวชพารษาแรกๆนะโอ้เมื่อไหร่จะพ้นทุกสติใจนี่หิวเลยนะโง่พยายามนะปฏิบัติแทบตายทําไมไม่พ้นสติอะไรเงี้ใจก็เฉาเฉาไปกิเลสทุกชนิดพวกเรารู้จักอยู่แล้ว อิจฉาเป็นไหมอิจฉาอิจฉาก็เป็นกลัวเป็นไหมกลัวก็กิเลสนะขี้เหนียวเป็นไหมขี้เหนียวตรนีเวลาขี้เหนียวความรู้สึกตรนีเกิดขึ้นใจจะเป็นสุขหรือใจจะเป็นทุกข์เวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวห่วงแหนใจเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉนั้นตรนีเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะนะจำไว้นะตัวนี้เราเน้นว่าเป็นโลภะที่จริงเป็นตัวโทสะ เอเวลาโทสะเกิดเนี่ยใจไม่แช่มชื่นเวลาโลภะเกิดนะบางทีสบายใจนะมีความสุขมีโลภะเนี่ยทีก็เป็นอุเบกขาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเป็นโทสะทันทีเลยงั้นถ้าเวลาเรานั่งภาวนาแล้วเราเครียดนยีจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศล น, นะจำไว้นะถ้าลงมือภาวนาแล้วเครียดปั๊บนะ่ยอืดอาดขึ้นมาแน่นขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมา จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตงั้นยิ่งภาวนานนะก็ยิ่งสะสมอกุศลมากเข้ามากเข้าโทสะเนี่ยถ้าสะสมได้ที่จะตกนรกนะงั้นเรียกว่าภาวนาจนตกนรกเคยเห็นไหมคนภาวนาแล้เครียดในโรงพยาบาลต้องเคยเจอแล้ภาวนาจนบ้านะภานาเครียดมากๆทนไม่ไหวสติแตกไปเลยเนี่ยพวกเรากิเลสทั้งหลายเรารู้จักอยู่แล้วนะต่อไปนี้ง่ายๆเลยกิเลสอะไรเกิดที่ใจมีสติรู้ทันแค่นั้นเอง ไม่ได้ห้ามนะเห็นหน้าคนนี้เกลียดเกลียดได้ไหมเกลียดได้แต่รู้ว่ากําลังเกลียดอยู่เห็นสาวสวยเรามีภรรยาแล้วเห็นสาวสวยเดินมาใจเราชอบก็ใจมันชอบยังไม่ได้ผิดศีล น, น ะ, ะมันเป็นเรื่องทางใจยังไม่ได้ผิดศีลเนีไม่ได้ไปเกี่ยวเขาถ้าไปเกี่ยวเขาเราตือจะผิดศีลน้าใจมันชอบขึ้นมารู้ว่ามันชอบเนี่ยหัดรู้ทันใจตัวเองไว้มันเกลียดก็รู้ว่าเกลียดมันรักรู้ว่ารัก นะมันพอใจรู้ว่าพอใจมันไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจมันกังวลนะรู้ว่ากังวลมันสบายใจรู้ว่าสบายใจนะนี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆถ้าเรารู้ทานกิเลสแล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยกิเลสจะดับทันทีนะนี่เป็นกฎของธรรมะเลยนะเป็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่นค้นพบเราไม่ต้องละกิเลสเลยมันจะไม่มีกิเลสให้ละ งั้นในเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเราไม่เคยละไปกิเลสเลยนะกิเลสมันดับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องละมันที่เราละไปเรื่อยเรื่อยเรียกอนุสัยคือสันดานสันดานเราจะเปลี่ยนสันดานขี้โมโหพอโกรธขึ้นมาปุ๊บสติรู้ทันมันไม่ได้ทําตามความเคยชินเก่าๆมันกลายเป็นไม่โกรธขึ้นมาต่ใจเนี่ยสันดานขี้โกรธมันจะหายมันจะค่อยค่ละสันดานขี้โกรธไป สันดานขี้โลบสันดานขี้หลบก็เหมือนกันแหละงั้นตัวโลบโกรดหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปล้ามันหรอกแค่เรารู้ทันตอนนี้ใจโลภรู้ทันมันจะดับเองใจโกรดรู้ทันมันจะดับเองใจหลงรู้ทันมันจะดับเองพอโลภโกรดหลงเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับไปแล้วเนี่ยศีลมันจะมาโดยอัตโนมัตินะเพราะเวลาเราไม่โลภเราไม่โกรดเราไม่หลงเนี่ยทําผิดศีลไม่ได้คนทําผิดศีลเพราะมันมีกิเลสทั้งสิ้นเลย นี่เป็นวิธีที่เราจะสามารถรักษาศีลได้อย่างยอดเยี่ยมนะศีลเราจะไม่ค่อยดั่งพลอยเลยเวลาเราจะทำผิดศีลแต่ละคราวนี้จะเกิดฮิริโอตปะฮิริคือละอายใจวอตปาเนะ่เกรงกลัวผลของการทำชั่วเราจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นงั้นหลวงพ่อชวนพวกเราลองถือศีลดูถ้าเราถือศีลได้สมาธิของเราจะเกิดง่าย ถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วโอกาสที่เราจะพัฒนาไปสู่การเจริญปัญญานั้น mm. ก็ทําได้ถ้าเราทําเจริญปัญญาได้แก่รอบจริงนะพระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพียงความบริสุทธิ์เข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยปัญญานิพพานไม่ใช่ต้องตายนะนิพพานเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละแต่ใจมันไม่มีกิเลสใจมันไม่มีปัญหาไม่มีความอยากนะใจมนเป็นอิสระใจมันเบิกบานอยู่ในตัวของตัวเอง ใจอย่างนั้นแหละสัมผัสพระนิพพานอยู่ไม่ต้องรองให้ตายแล้วไปเข้าพระนิพพานที่ไหนเลยนิพพานั้งแต่ตรงนี้เลยพอจะทำได้ไหมคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองคอยดูเอานะมันก็จะเหมือนที่พระเทเจ้าสอนดูกรภาภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ ดูกราพิกซูทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนะจิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้รู้แล้วนะศีลอัตโนมัติจะเกิดนะฝึกนะแล้วมันจะไม่ยากแรกๆยากเพราะเราเราลืมเราไม่เคยสนใจที่จะคอยรู้เท่าทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่ใจเราเวลาเราโกรธสังเกตไหมสมมตเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราดูอะไร ดูคนที่ปาดใช่ไหมเราไม่ดูใจที่โกรธ เ, เวลาเห็นสาวสวยใจมันรักเราดูอะไรเราดูสาวเราไม่ดูใจที่กำลังรักมันผิดกันนิดเดียวมันกลับข้างกันนิดเดียวแทนที่จะไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระธรมารมภายนอกนะคอยมารู้ทันใจของตัวเองไห้ถ้าเรารู้ได้อย่างนี้นะศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทาผิดไม่ได้เพราะกิเลสไม่ครอบงาจิตแล้วจิตเนี่ยจะสงบโดยอัตโนมัติ จิตที่มันไม่สงบนะมันถูกกิเลสยั่วยวนกิเลสที่มายั่วยวนให้จิตฟุงนะ้งซ่านก็เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์มี5อย่างเคยได้ยินไหมนิวรณ์นิวรณ์ข้าวัดมานานคงถืเคยได้ยินนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นทําให้จิตไม่มีสมาธิตัวแรกเรียกว่ากามาชันทะนิวรณ์กามาชันทะนิวรณ์เกิดจากอะไรใจมันฟุง้งซ่าน มันฟุ้งไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปริมรนไปรู้สัมผัสทางกายฟุ้งไปคิดอะไรที่เพลิดเพลินทางใจพอมันฟุ้งไปแล้วนะั้นมันก็ไปผูกพันพัวพันพ อ, อพอใจในสิ่งที่มันไปสัมผัสเข้าเนี่ยเรียกว่ามันฟุ้งซ่านออกไปนะแล้วไปชอบนะเป็นกรมอาชันทะถ้ามันฟุ้งออกไปเจออารมณ์ไม่ถูกใจแล้วมันไม่ชอบน้ําขัดเคืองมันําคาญนะอันนี้เป็นกําลังของพยาบา ท, ทะพยาบาทนะเป็นเป็นนิวรณ์นะ หรือมันฟุ้งสเปสสปะฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่เดี๋ยวคิดเรื่องโน่นเดี๋ยวไปเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังหมุนติวติวติวติวตวตวตวทั้งวันเลยนี่ว่าอุดทัดจักความฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งแบบนั้นจะลำคาญตัวเองเรียกกุบกุจจะลำคาญใจฟง้งมากๆก็คิดสงสัยสงสัยก็ยิ่งคิดหาคําตอบก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็งงงงแล้วก็เอ๊ะพูดเรื่องอะไรวะยิ่งคิดใหญ่เลยยิ่งคิดที่งง ควาจริงง่ายๆเลยถ้าฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้เข้าไปตรงๆเลยใจกําลังงงใจกําลังงงรู้ว่ากําลังงงอยู่เราจะเห็นความงงนี้กระเด็นออกไปจากใจเรานะเพราะมันเป็นกิเลสเหมือนกันมันเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสหรือความหดหู่ใจเวลามันฟุ้งเต็มที่แล้วมันจะซึมนะมันจะหมดเรื่องหมดแรงมันไม่อยากรู้อารมณ์เคยไหมเวลาเครียดจัดๆไม่อยากจะรู้อะไรเลยใจซึมซึม สาวๆจะเป็นเยอะนะซึ่งได้ที่เลยรู้สึกเป็นนางเอกรอให้พระเอกมาปลอบนะพระเอกก็ไม่มาสักทีซึ่งไปซึมมาไม่ได้เรื่องนะนิวรณก็คือความฟุ้งซ่านของจิตนะนะั่นแหะฟุ้งไปชอบฟุ้งไปเกลียดฟุ้งไปจับจดในอารมณ์ฟุ้งไปสงสัยในอารมณ์ฟุ้งมากๆกหมดเนี่ยหมดแรง น, ะนิวรณ์นี่เป็นความฟุ้งของจิตถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าใจกําลังฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่ันจะดับอัตโนมัตินะ ม, มันเป็นกิเลสใช้วิธีนี้แหละง่ายๆบางคนงงเว้หลวงพ่อสอนทําให้ใจสงบมีสมาธิไม่สอนตลาดเคยได้ยินแต่ว่าให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้ดูท้องพองยุบให้เดินจงกรมให้บริกรรมนะให้ทําน อ, นทอย่างน้อนให้ทําอย่างนี้ให้เพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน้ำนะเพ่งเกษินอย่างน้อนอย่างนี้เพ่งพระพุทธรูปนะเคยได้ยินแต่กรรมฐานอย่างนั้นหรือเพ่งลมหายใจ ทำไมหลวงพ่อประโมทมาสอนให้รู้ทันนิวรณ์พาเหลาพากอรือไงแค่จริงพระพุทธเจ้าสอนไว้วิธีที่จะให้เกิดสมาธิมีหลายวิธีเรามักจะเรียนรู้อยู่วิธีเดียวแล้วเราก็บอกมีอันเดียววิธีที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาที่ทำกรรมฐานเข้าฌานเข้าอะไรกันนะอันนั้นทำสมาธินะยิ่งถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นะอานาจของฌาน มันจะขมนิวร์น้ำหน้าของฌานมันจคขมนิวร์ลงจิตที่มีสมาธิขึ้นมานั่นขมนิวร์ด้วยฌานส่วนเราเข้าฌานไม่เป็นเราเข้าฌานไม่เป็นเราอาศัยสติไปรู้ทันนิวร์นิวร์ก็ดับเหมือนกันนะดับเหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้พูดเองคําสอนอันนี้นะลองไปดูอยู่ในพระสูตรชื่อสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาตศัตรู สูตรที่สองเลยทำไมสอนใหชาติศัตรูแทนที่จะสอนให้เข้าฌานเหมือนที่สอนพระชาติศัตรูเข้าฌานไม่ได้ชาติศัตรูเป็นคารวาสอย่างพวกเราอย่างนี้แหละและเป็นนักบริหารเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันวันหนึ่งมีเรื่องคิดมากพวกเรามีเรื่องคิดมากหมวันวันหนึง่งคิดสารพัดจะคิดเลยใช่ไหมจะเลือกให้ไปเข้าฌานนะชาตินี้คงไม่ได้เข้าอะ่ะเราก็ต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนักบริหาร นะท่านสอนให้ให้มีสติเนี่ยรู้ทันนิวรณนอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปนะสมาธิจะเกิดเองแต่สมาธิอันนี้จะสั้นหน่อยจะไม่ยาวเหมือนพวกที่เขาส่งฌานพวกสรงฌานอยู่นะเข้าฌานอยู่ได้นานเป็นวันวันหรือหลายๆวันอันนี้นเขาส่งอยู่ได้แต่ว่าไม่จําเป็นถึงขนาด น, นั้นถ้าเราทําสมาธิแบบนั้นไม่ได้เราอาศัยสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะคือจิตมันฟุ้งซ่านมันเคลื่อนไป เวลาจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะเคลื่อนไปมันฟุ้งไปฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสติรู้ทันหลวงพ่อจะพาให้ดูจิตฟุ้งซ่านสักอย่างหนึ่งนะฟุ้งซ่านทางใจฟุ้งซ่านทางใจนี่เกิดบ่อยที่สุดนะฟุ้งซ่านทางตาเนี่ยถ้าไม่ตาบอดนะก็เป็นอันดับสองถ้าไม่หูหนวกก็เป็นอันดับสามฟุ้งซ่านไปฟัง ส่ฟังก์ชันเป็นลมกลิ่นริมรสอะไร น, นี้ก็ร้อนๆ ล, ล, ลงไปนะฟุ้งซ่านทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดคือใจหนีไปคิดเราจะทดสอบดูว่าใจมันหนีไปคิดได้เองนะแล้วมันหนีได้คิดได้เร็มากเลยหลวงพ่อจะหยุดชั่วคราวจะฉันน้ํานะระหว่างที่หลวงพ่อฉันน้ำเนี่ยเรามีข้อตกลงกันห้ามพวกเราคิดห้ามทดสอบดูห้ามคิดนะคิดไหม ใครไม่คิดบ้างยกมือซ็ไม่คิดหรอกพุทโธพุทโธพุทโธเราคิดพุทโธก็คิดอีกแหละหรือบางคนก็คิดทําไงจะไม่คิดเพ่งไว้ก่อนเพ่งให้ว่างๆเนี่ยแหละตรงนี้แหละไม่คิดล้วมักําลังคิดอยู่แจ้วแจ๊วเลยนะเห็นไหมใจมันคิดได้เองดูออกไหมใจมันคิดได้เองคนส่วนใหญ่นะเวลามันคิดเนี่ยมันจะเผลอตามความคิดไปพวกเราฝึกนะ ใจมันคิดให้รู้ทันว่ามันคิดถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเกิดสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิชนิดที่ว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอย่างที่เคยเป็นหนอกงั้นฝึกไปนะเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดหรือไม่ก็ไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างตอนนี้ได้ยินเสียงใช่ไหม สังเกตไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บจิตก็โดนไปเลยนะจิตไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปฟังอย่างเดียวไม่พอหันหน้าไปดูอีกนะเนี่ยจิตไหลไปเลยเนี่ยจิตมันไหลไปตลอดเวลานะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธิก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจหรือการทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าใจลอยสัอย่างเดียว มันลืมตัวเองลืมกายลืมใจทำให้ศั ส, สนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้อย่างได้ยินเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมเราได้ยินเสียงปุ๊บจิตกระโจนไปที่โทรศัพท์เลยจิตโจนไปที่เสียงเลยหน้าก็หันตามไปเลยสังเกตไหมก่อนที่จะหันเนี่ยใจอยากดูก่อนอยากดูแต่ไม่เห็นว่ามันอยากเห็นไหมก็อ๊อุ๊บนันะหันไปเลยนะใจหนีไปอยู่ที่คนอื่นแล้ะลืมตัวเองในขณะที่เราไปดู เสียงโทรศัพท์ดังเราหันไปดูดังมาจากตรงไหนนะขณะนั้นมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราลืมจิตใจนั้นขณะนั้นเจริญปัญญาไม่ได้คำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจพอนะใจมันโฉบออกไปซะแล้วมันลืมตัวเองแต่จะห้ามใจไม่ให้มันโฉบออกไปห้ามไม่ได้เหมือนอย่างเมื่อกี้บอกอย่าไปคิดนะก็คิดอุตรลุดเลยนะห้ามมันไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้แล้วทํำยังไงก็รู้สิรู้ว่ามันหนีไปถ้าอยากรู้ได้เก่งรู้ได้เร็วนะต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบเนี่ยกรรมฐานของหลวงพ่อประโมทนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นทํากรรมฐานเนี่ยมุ่งไปให้จิตสงบของหลวงพ่อเนี่ยทำกรรมฐานเพื่อให้จิตตั้งมั่น ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูให้ดีคำว่าสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแต่เราไปติดสมาธิของฤษีให้สงบให้นิ่งให้หมดความรู้สึกตัวได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มันไม่ไหลไปไม่ฉกออกไปเท่านั้นเองวิธีฝึกก็ทากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น อยากให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเช่นเรารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะบริกรรมพุทโธหรืออะไรด้วยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขอให้รู้สึกตัวไม่ได้บริกรรมไม่ได้หายใจเพื่อสงบแต่ว่าหายใจไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกนะใจหนีไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดเราหายใจแล้วใจมันไป ไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจใจมันไหลไปรวมอยู่กับลมหายใจเรารู้ว่าใจไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่ว่าใจจะไหลไปไหนนะเราจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นนะะสมาธิก็คือความตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นเพราะว่ามันฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าชาน เราจะตั้งชว่วงขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกสมาธิชว่วงขณะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธิเป็นพระอรหันต์ด้วยคณิกะสมาธิหลวงพ่อไม่ได้พูดเองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระทั้งหลายบอกพิสูจนทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามวิชาสามคือระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สามข้อ มีพระอราหันต์ที่ได้วิชา360องค์คนที่ได้อย่างนี้ต้องเล่นฌานนะได้ฌานมีพระอราหันต์ที่ได้อภิน ญ, ญาหกได้อภิน ญ, ญาหนะอีก60องค์ใน500ร้นะสิซจาก100เนะก็คือ60องค์จาก500ได้อภิน ญ, ญา6อภิน ญ, ญา6ก็คือแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพตาทิพย่างรู้วาระจิตคนอื่นเลยต่ออะไรนะพวกนี้ แล้วก็ล้างกิเลสได้พวกนี้60สองค์ท่านเหล่านี้ทรงฌานนะแล้วก็มีพระอราหันต์ที่ได้อารุปฌานเนี่ยอีก60องค์เรียกว่าอุปโตภาควิมุตตนะพวกนี้ได้อารุปฌานด้วยรวมแล้วก็คือ60บวก60บวกหกได้เท่าไหร่ร8 0ยแปดจากห้ารอกี่เปอร์เซ็นต์ปอรเซ็นต์นอกนั้นจะเป็นแบบไหนนอากนั้นเป็นแบบพวกเรา เข้าฌานไม่เป็นพระรหันต์ที่เข้าฌาน ไ, ไม่ได้มาก่อนนะแต่ว่าพอเป็นพระรหันต์เราได้ฌานอัตโนมัติทุกองนะอย่างต่ําเนี่ยได้ปฐมฌานเป็นอัตโนมัติเป็นของแถมแต่ตอนก่อนจะเป็นเนี่ยเข้าฌานไม่ได้เหมือนพวกเราอย่างเนี้ยเพราะฉนั้นเข้าฌานไม่ได้อย่าเสียใจยังเป็นพระรหันต์ได้ขอให้มีสติเท่านั้นแหละใจหนีไปคิดรู้ทันใจเผลอไปดูรู้ทัน เผลอไปฟังรู้ทันอย่างเมื่อกี้เผลอไปฟังเห็นไหมได้ยินเสียงดังครับเผลอไปฟังตอนที่เขายกโต๊ะขึ้นมาเผลอไปดูอุ้ย uh, ยกโต๊ะอุ้ทงนี้ก็ยกทางนี้ก็ย ก, น, ก, ยก น, น, นะนะไหลไหลก็ไหลก็ยี่ยกยก็ยีนะ่ใจมันหนีไปดูนีไปฟังหนีไปคิดนีไดน้ไปคิดเมื่อกี้ก็พาให้ดูแล้วใจมันหนีตลอดทํากรรมฐานสักอย่างหนึงแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปฝึกเรื่อยๆต่อไปพอใจหนีปับ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติ มันจะรู้ว่าใจเคลื่อนไปแล้วงั้นเราต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบสัก15นาทีไม่ต้องเยอะหรอกนะหายใจไปหรือเดินจงกรมไปเดินจงกรมไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจมาเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้ดูท้องพองยุกก็ได้ดูท้องพองยุกไปแล้วนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจมันไปทําอะไรที่ไหนคอยรู้เท่าทันมันแล้วสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไป เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็มาถึงงานสุดท้ายแล้ว ง, งานของเรามี3งานมีเรื่องของการพัฒนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลนะเกิดจากเรารู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสจะดับอัตโนมัติจิตจะมีศีลอัตโนมัติเวลาใจมันฟุ้งซ่านมันไหลไปไหลมาไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างอย่างเวลาเราไปดูลมหายใจในะใจไปเกาะ อ, อยู่ที่ลมหายใจอัในนี้ใจไหลนะ ใจมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ให้รู้ทันมันพอรู้ทันแล้วใจมันจะไม่ไหลใจมันจะตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหลวงพ่อจะพาให้ดูใจที่ไหลไปเอาต่อไปนี้ทุกคนให้รู้ลมหายใจของตัวเองให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนะฝึกนะฝึกเข้าเอาแล้วพอจำได้ไหมเ น, นี่ยใจมันไปอยู่กับลม แล้วมันซึมรู้สึกไหมซึมเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานหวานสุดขีดแล้ ว, ลวเดือนนี้สังเกตไหมใจตอนนี้คลายออกรู้สึกแม่ใจผ่อนคลายคราวนี้เอาใหม่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะอย่าให้ใจไปอยู่ขดลมนะเห็นทั้งตัวนี้แหละมันหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู สังเกตไหมว่าใจมันสว่างใจมันสบายใจมันเบาดูออกไหมมันต่างกับตอนที่เพ่งลมหายใจเมื่อกี้นะตอนที่เพ่งลมนะใจมันจะตึงเครียดนะซึมซมตึงตึงออกมาแล้วก็ยังค้างออกมาเงี้ยออกมาแล้วลอยลอยใช้ไม่ได้เ <laughs> นี่ยเราใจเราไหลไปอยู่กับลมนะเราก็รู้ทันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเหมือนที่เรารู้สึกกันตอนนี้แหละ สมาธิที่ดีที่สุดคือสมาธิปกติอย่างนี้เองนะสมาธิอย่างนี้แหละเอาต่อไปก็รู้สึกอย่างนี้นะลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นด้วยใจนะไม่ต้องดูด้วยตารู้สึกไหมมันพยักหน้าเราสายหน้าสายช้าช้านะเดี๋ยวเวียนหัวเห็นไหมหน้ามันใส่ร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้า เนีย่ยค่อยฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะกระเทิบขึ้นสู่การเจริญปัญญาละการเจริญปัญญานั้นขั้นต้นที่สุดเลยมเรียกว่าต้องมีปัญญาที่เรียกว่านามรูปปริชเฉทญาณ น, นามรูปปริเฉทญาณคือมีปัญญาแยกรูปนามได้รูปกระทำส่วนหนึ่งนามกระทำส่วนหนึ่งเอายิ้มหวานอีกทีหนึง่งเห็นไหมร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนดูใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนรู้ใจกับกายเนี่ยคนละอ่านกันนะ ร่างกายยิ้มแต่ใจเป็นคนรู้อทุกคนลองทําหน้าบึ้งสิทําหน้าบึ้งเหมือนกําลังเจอเจ้านี้หรือเจอศัตรูคู่อาฆาตลองทําหน้าบึ้งซิแล้วรู้ตัวว่าหน้าบึ้งบึ้งยากนะเพราะมันมีความสุขเห็นไหมร่างกายหัวเราะเนี่ยรู้สึกไปอย่างนี้นะมันจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยนะกายกับใจมันจะแยกออกจากกัน พอแยกออกจยกกันแล้วมันจะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวตอนนี้ร่างกายจดยิกยๆๆ ก, ก, กเลยรู้สึกไหมร่างกายจดใจเป็นคนดูทําได้ไห้ร่างกายจดใจเป็นคนดูทําไม่ได้ก็ต้องคิดไปด้วยขณะที่คิดอยู่นะี่จะมารู้ไม่ได้จิตนั้นทําทํางานได้ครั้งละอย่างเดียวนะขณะที่คิดรู้ไม่ได้ขณะที่รู้ ไม่คิดมันทำงานได้ครั้งได้อย่างเดียวขนาดที่ดูก็ไม่ฟังนะขณะที่ฟังก็ไม่ดูอย่างเราเวลาเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราก็คิดว่าตาดูหูฟังใจคิดจริงๆมันสลับกันเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วก็ไปฟังเสียงหน่อยนึงคิดสลับไปสลับมามีแคสลับเด็วเจอทั้งเราคิดว่าดูพร้อมกับฟังพร้อมกับคิดจริงจคนละเวลากัน จิตมันทํางานได้ครั้งละอย่างเดียวเั้นตอนที่เราจดจ่อกับการจดเนี่ยเราคิดอยู่ขนาดนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้งั้นเมื่อไหร่ที่เราทํางานที่ต้องคิดเมื่อนั้นเจริญสติรู้กายรู้ใจไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อว่าทําไมดิฉันทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้เพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนี่เป็นกฎของธรรมะอีกข้อหนึ่ง แล้วเราคอยฝึกไปนะเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปแล้วต่อมาเราค่อยๆสังเกตต่อไปความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันอย่างตอนนี้พวกเราใครรู้สึกมีความสุขยกมือซิยกมือนะใครรู้สึกมีความทุกข์ยกมือซิไม่ต้องเกรงใจนะมีหนึ่คนใช้ได้ใครรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆ ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ฟังก็ดีไม่ต้องไปทาํางานอะไรงี้ยนะเนี่ยตอนหัวเราะรู้สึกไหมใจมีความสุขและความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นมันเข้าความสุขมันเกิดขึ้นมาใจเราเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นมาใจมันเป็นคนดูโบลบโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าไม่ใช่ใจเราอีกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจค่อยๆหัดแยกไป แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆจำตอนที่หลวงพ่อเริ่มพูดได้ไหมที่เรื่องว่าแยกขันห้าแยกขันห้าแยกเป็นส่วนๆเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วพอใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายกับใจก็แยกกันเป็น2ส่วนล้ความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะความสุขความทุกข์บางทีก็อยู่ที่ร่างกายบางทีก็อยู่ที่จิตใจแต่มันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่จิตใจนี่สิ่งที่แปลปลอมเข้ามา ความดีความชั่วทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จิตใจเนี่ยค่อยๆหัดรู้หัดดูไปนะเราจะแยกออกมาได้เป็นส่วนส่วนพอแยกได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นเลแต่ละส่วนมันทํางานของมันไปตามเหตุมันมีเหตุมันก็ทํางานไปอย่างร่างกายเราเนี่ยมันจะยิ้มแล้วมันจะหน้าบึ้งเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งจิตมันมีความสุขหน้ามันก็ยิ้มตามไปจิตมันมีความทุกข์หน้ามันก็บึ้งขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนไปเพราะจิตมันสั่งนะ หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดเพราะไปกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็มีความทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยมันมีเหตุทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เกิดลอยลอยโลคกรดลงก็มีเหตุให้เกิดกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะก็ยั่วให้โทสะเกิดกระทบอารมณ์ที่พอใจก็ยั่วให้โลภะให้ราคะเกิดกระทบอารมณ์แล้วก็ไม่รู้เท่าทันของโมหะก็เกิดนะแต่ละอย่างมีเหตุทั้งนั้นเลยนะ เราค่อยภาวนาไปเราค่อยเห็นขันแต่ละขันนะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหมดเหตุมันก็ดับของมันไปนันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะจิตใจเดี๋ยก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงภาวนาไปหรือปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงนะ ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามีแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามานาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภตลดลงก็ชั่วคราวโลภตลดลงก็ต้องชั่วคราวเหมือนกันนะไม่มีหรอกโลภตลดลงนี้รันดอนไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็อยู่ชั่วค ร, วราวพ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว ทางจิตใจเนี่ย <c oughs> เห็นความเป็นอนิจจังมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็มีดูง่ายดูอนิจจังง่ายแล้วเราก็ดูความเป็นอนัตตาง่ายทางกายเนี่ยดูให้เห็นตัวทุกข์ง่ายนะดูให้เห็นว่าเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุทางจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงได้ง่ายจะดูเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งว่าให้มีความสุขได้ไหม ไม่ได้สั่งว่าเอย่าโลภได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้สักอย่างบอกอย่าคิดมันอย่างคิดเลยห้ามอะไรมันไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะดูของกายเนี่ยจะเห็นทุกขังอนัตตาชัดดูความจริงของจิตใ จ, จเห็นอนิจจังอนัตตาชัดสุดท้ายปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะจะพบว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองมันไม่ใช่เรามันเป็นวัตถุ จิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้ตัวเราไม่มีตัวเราหายไปทําเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อโสดาบันไหมโสดาบันไม่ใช่คนพิกลพิการพี่ลึกกืกือนะคนธรรมดานี่เองแต่ว่าใจนั้นมีปัญญาแก่กล้าได้เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราในขันห้านี้ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยแม้กระทั่งนอกจากขันห้านี้ก็ไม่มีตัวเรา ในคันห้านี้ยังไม่มีตัวเราเลยแล้วคันหก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยเนี่ยท่านเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้นะแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่เห็นนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ยังยึดอยู่คล้ายๆเราไปยืมแหวนเพชรของเพื่อนมาใช้แต่มันสวยถูกใจรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ไม่อยากคืนเนี่ยยืมเข้ามาหรือยืมเงินเข้ามาใช้นะรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ไม่อยากคืน พระโสดาบันก็แบบเดียวกันนะเห็นแล้วว่าร่างกายจิตใจเนี pray, ่ยย yani ืมโลกมาใช้แต่ไม่อยากคืนเพราะว่ายังหวงยังคิดว่ามันเป็นของดีพ่ปฏิบัติต่อไปเห็นความจริงต่อไปอีกนะจนกระทั่งเห็นความจริงอย่างท่องแท้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งร่างกายนี้คือทุกข์ล้วนๆพวกพวกเราไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เคยเห็นเราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง ในสายตาของพระอรหันต์ร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยเพราะท่านเห็นทุกข์ท่านถึงไม่ไม่ยึดถือมันเมื่อไม่ยึดถือมันแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็าลาสมุทัยเมื่อนั้นหมายถึงว่ารู้ความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายแหล่ที่เรามีเนี่ยย่อลงมานะก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้น ความอยากก็มีอยู่แค่นี้เองอยากสารพัดอยากอะไปดูหนังก็อยากให้มีความสุขใช่ไหมมีไม่อยากไปดูหนังเพื่อให้มีความทุกข์มันอยากให้มีความสุขไปกินเหล้าอยากมีสุขหรือมีทุกข์ก็อยากมีความสุขไปสู่เพโลยีนยังอยากมีความสุขเลยนจริงๆแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพนทุกข์แต่เมื่อปัญญาแก่รอบแล้วกายนี้ถูกล้วนๆจิตนี้ถูกล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลย ความอยากทั้งหลายเป็นเรื่องไร้เดียงสาเมื่อกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะจะอยากให้ตัวทุกข์เป็นตัวไม่ทุกข์นี่ไร้เดียงสาจะอยากให้ตัวทุกข์เป็นตัวสุขนี่ก็ไร้เดียงสางั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมูทัยคือตัณหาคือความอยากเนี่ยจะไม่เกิดอีกเมื่อไรที่สิ้นตัณหาเมื่อนั้นจะสัมผัสนิพพานหรือนิโรธงั้นเมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมูทัยเมื่อไรละสมูทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธ เมื่อใดแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแหละอรหัตมรรคเกิดขึ้นนะอริยมรรคขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นอยู่ที่โการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี่เองนั้นอริยสัจ4ี่คือทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคนะคือหัวใจสําคัญสูงสุดถ้าเมื่อไหร่ที่เราแจ้งในอริยสัจแล้วเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานแลนะจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเลยนะนี่โอกาสที่เราเจอกันมีไม่มากหลวงพ่อเลยเทศตั้งแต่กอไก่ถึงพอร์นูกเลยนะ ส่วนพวกเราจะมาได้ขอไข่หรืออออ่างก็แล้วแต่พวกเรานะตัวใครตัวมันแล้วละ่ะบอกคนทางให้แล้วถ้าไม่เดินก็ไม่รู้จะทำยังไงสั่พรพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นแค่คนบอกทางท่านบอกงี้นะท่านอุ้มเราไปนิพพานไม่ได้เราต้องทำของเราเองท่านบอกทางให้เราหลูพ่อก็จำทางที่ท่านบอกเอามาบอกต่อคำสอนอย่างนี้มันอยู่ในวงพระกรรมฐานส่วนมากแต่ก่อนนี้ท่านไม่ค่อยสอนครวญวอก สอนแต่ให้ทําทานถือศีลนะขั้นประเมินว่าฆราวาสไม่มีปัญญาเรียนหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อเอามาสอนฆราวาสเมื่อเราเรียนแล้วนะเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลานสั้นทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่บอกหลวงพ่อแล้วว่าอย่าไปสอนเล่ยยากไปไม่พูดแล้วนะเพราะมีตัวอย่างให้ดูนับจํานวนไม่ท้วนเลนยว่านะ พ, พวกเรานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่ยมันทําได้จริงจริงฆราวาสก็ทําได้ อยู่ที่ตั้งใจจะทำนะสรุปถือศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจหนีไปแล้วรู้เห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยๆถ้าทําได้เท่านี้นะวันหนึ่งก็จะรู้จักหรอกพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงไม่ต้องเชื่อคนอื่นทุกวันนี้ชอบเชื่อคนอื่นท่านนั้นบรรลุนี้ท่านนี้บรรลุนั้นพูดเราเองพูดเราเองอาจจะไม่บรรลุก็ได้เมื่อเราเอาอะไรไปวัดเราไม่มีคุณธรรมอะไรสักอย่าง งัฝึกนะฝึกตัวเองให้ดีแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระศาสนานะแน่นแฟนไม่คลอนแคลนศรัทธาเราจะไม่คลอนแคลนอีกต่อไปเราจะได้ช่วยกันรักษาสืบทอดพุทธศาสนาสืบไปเทนะนะ่านี้ก็พอละกรรมน้ำส ก, การหลวงพ่อนะคะันปีนี้ก็ขอส่งกันบ้านแต่รู้สึกว่าครั้งนี้ จะแย่กว่าครั้งที่แล้วค่ะเพราะว่ า, ารู้สึกว่าสับสนหลวงพ่อคะไม่เป็นเพราะว่าเรารู้เหรอคะเราถึงจะมีศีลแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าใัยสตินะค่ะเมืม่อนะไหร่มีสตินะศีลมันก็มีมีสติรู้ทันกิเลสศีลด้เกิดมีสติรู้ทันความฟุ่งซ่านสมาธิจะเกิด มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีจิตตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดพอดีโยมโยมก็พยายามที่จะเอาตัวรู้ไปอยู่กับตัวรู้นะเจ้าค่ออาเาะนะ เ, าาเพราะว่าเหล่าเจ้าค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ทำตามที่เป็นรูปแบบนี่ไม่ค่อยได้ก็เลยใช้วิธีว่าในชีวิตประจำวัน ถ้าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นก็ไปรู้ตรงนั้นแล้วก็เห็นมันดับไปเได้แค่นี้ทั้งชีวิตนี้จะได้แค่นี้เหรือจ๊ะคะไปจับตัวรู้ให้ไปจับตัวรู้เฉยอยู่ไม่ได้นะค่ะให้เห็นอารมณ์เกิดดับเห็นเห็นแต่อารมณ์พออารมณ์เกิดขึ้นค่ะมาถามหลวงพ่อข้างเดียวหลวงอถามบ้างเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมโลกนี้ห่างออกไปเห็นไหมใจเราบางเบาสบายกว่าแต่ก่อน เห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปะเห็นเห็นค่ะนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะภาวนาแล้วเราจะเห็นความเตลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะโลกมันจะหาออกไปโลกมันไม่มีอะไรมันมีแต่ทุกค่ะพานาถูกแล้วละภาวนาหยีกค่ะหลวงพ่อครับแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องไปสอนมันใช่ไหมคะเพอายมเห็นว่ายิ่งสอนมันมันยิ่งอ้อยส้อยไม่ได้อย่าไปยอมค่ะมันควต้องสอนแต่บางคนห้ามสอนค่ะ คนไหนที่ต้องคอยสอนมันพวกที่ทำสมาธิแล้วติดนิ่งติดเฉยเต้องสอนมันช่วยมันคิดเพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเขายมไม่ใช่คนที่จะติดนิ่งเยมเป็นนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันคิดไปเรื่องนี้เป็นสุขคิดไปเรื่องนี้เป็นทุกข์คิดไปเรื่องนี้โลภหลดหลงไม่เห็นไปกจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วไปเห็นถูกแล้วล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านิสยัยเราแบบนี้เนี่ย <c oughs> เราก็ พ่อหนุ่ยอมเห็นถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราพยายามจะไปสอนมันเอาหน้าคิดว่าเป็นวิบากเอาหน้าอย่างงุ้นอย่างนี้มันไม่เชื่อหะแล้วมันมันมันอ้อยส้อยแล้วมันําคาญค่ะว่ามันไม่หายสักทีเราเป็นโทสะจริตค่ะให้รู้ว่าเราไม่ชอบค่ะดูเข้าไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นดูตรงๆได้เลยใช่ไหมเจ้าคะแล้วไม่ต้องหลบมันนะเจ้าค่ะไม่ต้องมาดูที่ลมหายใจอะไรอย่างนี้การหนีเนี่ยเวลาเราทําสงครามนะการทําสงครามที่ดี ตอนได้เปรียบต้องรีบลุยเลยค่ะใจกล้าๆนะเจ<อ>้าค่ะอสู้ไม่ไหวถึงจะถอยอ๋อเจ้าค่ะเช่นกิเลสรุนแรงมากแล้วตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วก็ามาอยู่กับลมหายใจนี่แหละหลบมันสักชั่วคราวมีแรงแล้วกลับไปสู้ใหม่นะต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่หลบทุกคราวค่ะกำลังจะตีเมืองหลวงเขาแตกแล้วหลบซะหน่อยบางทีมันตั้งหลักใหม่สู้มันอย่างั้นโยมก็มาถูกแล้วเจ้าค่ะ อยอมรูท้ทันตรงใจฟุ้งซ้ า, านานะใจไม่เข้าฐานนะให้ไม่เข้าฐานยังอยู่ข้างนอก อ, ออกไหมแจงกระจายออกข้างนอกไปเนี่ยนะใ ห, ให้ให้รู้ทานวําหนออกนอกมันจะเข้ามาไม่ดึงให้เข้าถ้าดึงให้เข้าจะแน่นออกนอกเนี่ยผิดดึงเอาไว้ก็ผิดออกนอกเนี่ยย่อหย่อนไปดึงเอาไว้เนี่ยตึงเกินไป เ, เรารู้หลกปัจจุบันเรารู้ซื้อๆครูบาอาจารย์เรารู้ซึ้อๆกราบนมรสการค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ได้ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกส่งไปเมื่อประมาณสักสามเดือนตอนนั้นก็ได้ไรายงานหลวงพ่อว่าเราเริ่มแยกธาตุแยกขันได้แล้วแล้วเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าขอกันบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อให้ไปรักษาศีล ก็มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราสีลดังพอยนะคะแต่ก็โชคดีที่มียังมีสติรักษาใจทำให้สีนเราไม่ขาดแต่ตอนนี้สิ่งที่จะมารายงานหลวงพ่อก็คือว่ามันกิเลสมันเยอะมากๆเลยค่ะหลวงพ่อราคามันแรงมากจนจะสู้มันไม่ไหวแล้วอะค่ะทีมันไม่ใช่ของเรานะที่พวกมานมันแกล้งนะเวลาเราภ า, านาดีมัน็แกล้งบางคนเหมือนรู้สึกถูกถูกตืบเนี่ยถูกทิ่มถูกแทงนะ มันไม่ปล่อยเราง่ายๆใช่ค่ะมันคือถ้าเปรียบเหมือนนักมวยนี่คือแบบบาดเจ็บสาหัสเลยต้องต้องรู้วิธีสู้กับมารเหมือนกันเราก็มันรู้สึกแย่มากๆค่ะหลวงพ่อทำใจให้สบายก่อนทำตามที่หลวงพ่อบอกไปเรื่อยๆนะใจสบายรู้ไปที่ไททรอยที่ก้านสมองอการสมองมจะอยู่ลึกบาไทาทรอยเข้ามาข้างในหนึรู้ไปด้วยความสบายๆตรงนั้นแหละมันเป็นที่ เวลากิเลสตัณหาอะไรไปทำงานนะมันอาศัยสมองส่วนนี้แหละแล้วเวลามารมันแกล้งนะมันจะแอบใส่กิเลสไว้ตรงนี้รู้สึกไหมว่ามันไหลออกไปค่ะเ อ, อนะต้องรู้จักช่วยตัวเองเหมือนกันนะของเรานะี่ยภาวนาดีมันมแกล้งถ้าเราภาวนาไม่ดีมันไม่แกล้งหรอกมารมีทั้งห้าชนิดนะมารมีห้าแบบมีคันถ้ามารร่างกายของเราเองนี้แหละ มัจจุมารความตายกิเลสมานนี่อยู่ในใจอภ<ม>ิสังขารมานความปรุงของจิตที่อยู่ใน ใ, นใจเทวปุตตมานไอ้นี่มานภายนอกเป็นเป็นพวกเทพก็ได้นะเทพที่เป็นมานหรือมนุษย์มนุษย์ที่มันมีพลังจิต่ะเราเห็นเราพอนาดีมันก็แกล้งเอาก็ทำได้รู้สึกดีขึ้นไหมค่ะรู้สึกดีขึ้นค่นะหลวงพ่อไปทำนะท แล้วพอมันหายสบายดีแล้วก็ดูท่านดูขันดูกายดูใจทํางานต่อไปค่ะค่ะ ห, <า S 2> ห <า S 1> ลวงพอ่พอค่ะค่ะเพราะเพิ่มเงินมากค่ะหลวงพอ่อนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเออโยมเพิ่งส่งกันบ้านครั้งแรกแต่ก็ไปหาอาจารย์หลายครั้งค่ะจำห น, <laughs> น้าได้อยู่ค่ะ <laughs> ไปกับลูกสาวค่ะแล้วอันนี้ ลูกสาวก็แนะนำให้ปฏิบัติได้สี่ปีกว่าเกือบห้าปีว่วลูกดีแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยเผลอยาวไปตลอดทั้งวันและช่วงที่กลับจากข้างหลังสุดที่ไปนมาสการหลวงพ่อกลับมาก็ลูกก็บอกว่าเพียนนะคะโยมก็เพียนมาตลอดแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่า จิตที่เคยหนียาวไปเนี่ยมันสั้นลงทีขึ้นทีขึ้นแล้วก็เออแล้วก็ติดเพ่งด้วยนะคะอโอ้ใช้ได้นะจิตติีไปก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้อย่างนี้ใช้ได้ค่ะแล้วก็ความทุกข์ก็น้อยลง ม, มีความสุขขึ้น ควา ม, มทกนะมันเกิดใจากใจเราปฏิเสธสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ตรงนี้มันไม่อยากได้อันนี้มันอยากได้ unknown, อันน้อนอะไรเงี้ยหรือมันอยากให้อันนี้อยู่นานๆมันไม่ยอมรับความจริงก็เลยทุกข์ถ้าเราใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะความอยากไม่เกิดทีไหนไม่ทุกข์อะไรเลยความทุกข์นี่ลดลงลดลงแล้วเออจะมีอยู่บางช่วงที่สติเหมือนกับว่า สติจะตั้งมั่นได้แต่มันก็เป็นได้อยู่สักสองสามวันมันก็หายมันไม่เที่ยงค่ะเป็นเรื่องปกติมันหายไปเพราช่างมันเราก็ฝึกของเราทุกวันนะแต่มันก็กลับมามาอีกสองสามวันมันก็ีไอีกเราช่างมันค่ะมันมีกระเดเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเราพอนานแล้วเจริญรวดไปเลยนะใครจะหลงผิดว่ากูเก่งแต่เนี่ครูบาอาจารย์สอนนะธรรมชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อม ทั้งที่ปฏิบัติทุกวันเหมือนกันนะดีขึ้นดีขึ้นเอาเสื่อมไปอีกแล้วทั้งที่ปฏิบัตนะิมันก็จะสอนให้เราเห็นความจริงไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับปัญญามันจะเกิดตรงนี้นะค่ะไม่ได้ฝึกจนสําเร็จด้วยการบังคับมันได้น ะ, ะแต่ฝึกจนใจเห็นความจริงมันไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจเลยไปฝึกอีกไปใช่ได้ค่ะแล้วเอตอนนี้โยมก็เพิ่งจะ ดูกายถูกต้องไหมคะถูกต้องดูกายไว้ค่ะแล้วก็ยมอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสองค่ะเราต้องดูกายต้องเอากายช่วยนะโดยธรรมชาตินะถ้าอายุเกินสักห้าสิบขึ้นนะค่ะไปดูจิตตงตงๆแล้วนั่งหลับไปเลยใช่ยมเออมันจะซึม ยมนั่งพงสมาธิน่ะมันมันมันก็จะหลับไปเลยมันไม่มีแรงนะเราคล้ายสมองสมองเราเสื่อมไปนะเป็นธรรมชาติอ่ะเราต้องเอากายมาช่วยดูกายเวลาเราทางานเนาะใช่ดูกายไปทำงานนะใจมันอยู่ตะางากแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอยู่อยู่ไปดูจิตเดี๋ยวก็นั่งหลับเป็นธรรมชาติทุกคนตกลง โยมใช้ได้แล้วนะคะได้ใช่ได้กราบขอพระคุณค่ะไม่นึกว่าเจ็ดสิบกว่านะดูแข็งแรงน้านะกำลังภายในเยอะๆแข็งแรงกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมและภรรยาก็อะไรนะผมและภรรยาก็ฟังสิดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีกว่าครับยังยังไม่เคยส่งกันบ้านนะครับก็ฝึก ฝึกดูกายดูใจนะชีวิตประจําวันไม่ว่ากายก้านนึงใจก้านหนึ่งงอออกไหมพอออกเป็นคนละอันกันเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็คนละอันกับใจครับะเราเห็นได้เป็นคราวๆถูกแล้วละขันมันเริ่มแยกนะการหลวงพ่อครับการที่ผมเห็นความคิดมันมีอยู่ครับแล้วก็ดับไปเนี่ยผมเห็นจริงเปล่าเพราะว่าตอนเกิดเกิดผมไม่เห็นอับตอนเกิดอะไรนะตอนเกิดผมไม่เห็นครับ ให้ <He S 1> มัน <he S 1> มต้องเกิดก่อนมันจิตมันฟุ้งซ่านควาฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราถึงจะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านกิเลส ต, ต้องเกิดก่อนนะเราถึงจะรู้ว่ามีกิเลสเหมือนที่พระเจ้าสอนนะดุขรัตพิสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะมีราคะก่อนแล้วก็รู้ว่ามีทําไมเราไม่เห็นตอนที่กําลังเกิดถ้าเราเห็นตอนนั้นมันจะไม่เกิดถ้าเมื่อไรมีสติกิเลสเกิดไม่ได้ถูกแล้ว ก็หลวงพ่อช่วยเมตตาชีแนะด้วยครับก็ชี้มาตั้งนานแล้วอย่างตอนนี้ใจเราเบาหรือใจเราแน่นดู้ออกไหมใจแน่นครับเออแน่นทําไมมันแน่นไม่ใช่เพราตื่นเต้นตื่นเต้นนั้นอันหนึ่งนะไม่ได้ทําให้ใจแน่นที่ทําให้ใจแน่นเพราะเราไปบังคับตัวเองจะไม่ให้ตื่นเต้นครับนะเห็นไหมว่าบังคับอยู่ บ, บังคับเมื่ อ, อไรบังคับอยู่เมื่อ น, นั้นใจมันจะแน่นนะถ้ารู้อย่างที่มันเป็นมันก็ไม่เป็นอะไร ไม่แน่นใจหนีไปอยู่ไหนรู้ไหมหืมใจวิ่งมาอยู่กับหลวงพ่อดูออกเป่าครับใจวิ่งไปที่หลวงพ่อครับนะแจงวิ่งมาแล้วอู้มาเงี้ยให้เรารู้ทานครับภาวนาเป็นแล้วล่ะไปทำเอาครับภาวนาถูกแล้วล่ะกราดนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานพี่เพื่อนแนะนําให้ฟังซีดีมานะคะแล้วก็ หลวงพ่อจะสอนให้ดูจิตแล้วก็ดูกายใช่ไหมคะแล้วก็หนูเนี่ยเพื<ช>่อเข้าใจว่าตัวเองค่ะใช่สิไม่ดูกายไม่ดูจิตแล้วจะไปเป็นว <c oughs> ิปัสสนาได้ยังไงค่ะ <c oughs> หนูหนูคิดว่าหนูเป็นคนคิดมากหนูก็เลยคิดว่าคนจะดูจิตฉลาดฉ <c oughs> ลาดตรงที่รู้ว่าตัวเองคิดมากค่ะคือเราต้องรู้จักตัวเองอ่ะถ้าเราเป็นพวกคิดมากใจเราจะเปลี่ยนทั้งวันเราคิดเรื่องนี้ก็โศกคิดเรื่องนี้ทุก คิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้โลบหลุดลงอะไรเง้วก็ดูไปเรื่อยนะก็จะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวลภหลุดลงก็ชั่วคร้าวเห็นไหมว่ามันชั่วคร้าวค่ะ๋ยวนั่นแหละฝึกไปจนใจมันยอมรับนะว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยดับทั้งสิ้นเลยทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเป็นของชั่วคลาวทั้งหมดล้วแค่เห็นตรงนี้ค่ะแล้วเวลาเราดูเราเราเห็น จิตมันเกิดอย่างอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูจนให้เห็นว่ามันเกิดเมื่อไหร่เราก็ดับเมื่อไหร่ไหมคะหรือว่าแค่<ห>รู้เฉยเห็นไม่ได้เรา <c oughs> เราจะเห็นว่าอ้ามันโกรธไปแล้วมันโลภไปแล้วอย่างงี้ <c oughs> มีคําว่าแล้วนะดูกายเนี่ยดูลงขณะปัจจุบันได้ดูกายเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะคืออย่างเงี้ยกําลังขยับมืออยู่เรารู้ได้ทําไมเรารู้กายในขณะปัจจุบันได้เพราะว่าจิตเนี่ยใช้กายนี่เป็นอารมณ์มันไปรู้กายได้ แต่ในขณะที่จิตมีกิเลสเนี้มันไม่มีสติมันจะไปรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเไม่ได้นะจิตมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตอีกดวงหนึ่งที่มีสติเนี่ยจะไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้มีกิเลสเราะนั้นตัว น, นี้ไม่เรียกปัจจุบันขณะเขาไม่ใช่เป็นขณะปัจจุบัน<ะ>แต่เขาเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเช่นมันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธนี่มันต่อกันไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้นะอันนี้ไม่เป็นปัจจุบันสันติห่างกันมากค น, นดูจิต ด, ดูใจนะจะมาเห็นวิกิเลตกําลังโผล่ขึ้นมากิเลตตั้งอยู่กิเลตดับไปนะพูดทางไม่มีทางทาหรอกมันจะเห็นว่าอ้าวคิเลตเกิดแล้วกิเลตดับไปแล้วนะจะเห็นในนะั้นค่ะจะกล่าวขออนุญาตขอกันบ้านจากหลวงพ่อค่ะใจเราฟงุงงซ่านเก่งนะเพราะงั้นเราต้องหาคเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ค่ะ จะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้ะเวลาวันไหนฟุ้งซ่านมากก็พุทโธเร็วๆพุท้ธพุทโธพุทโธวันไหนใจสบายรู้เนื่อรู้ตัวก็พุทโธช้าๆพุทโธพุทโธพุทโธสบายๆแล้ว่อยรู้ทันจิตไหมพุทโธแล้ว่อยรู้ทันจิตนะไม่งั้นดูไม่ทันหรอกเพราะว่าสมาธิเราไม่พอไฟุ้งเก่งค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ ามามาสการสักาหลวงพอ่อหนูฟังซีดีมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ได้เข้ามาละมาสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็หนูยังไม่เคยได้กันบานเลยค่ะก็เลยจะมาขอบกันบานหลวงพ่อค่ะหลวงอสอนเหมือนกันทุกคนนะค่ะ <c oughs> หนูเห็นว่าตัวเองเป็นโทา ส, าาสะจริตค่ะ<อ>แล้วก็ก็ค<อ>ิดมากแล้วก็ขี้โมโหแล้วก็บางทีก็เห็นว่าตัวเองร้ายมากเลยค่ะโทสะจริตเนี่ยจริตมันมีสองกลุ่มนะจริตเพื่อการทําสมถะ ทำให้จิตสงบเนี่ยพวกหนึ่งจริตเพื่อทํำวิปัสสนาเนี่ยพวกหนึ่งราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธิจริตวิตกจริตสัทธาจริตหกอันอันนี้สําหรับเลือกอารมณ์ทําสมถะจริตเพื่อการทําวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตเองนะมีปัญหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นงั้นที่หนูพูดมาเนี่ยบอกว่าเป็นโทสะจริตด้วยช่างชิดด้วยใช่ไหม เพ้นถ้าเราเป็นโทรสะจริตเนี่ยเวลาที่เราจะทําให้ใจสงบเนี่ยดูเจริญเมตตาไว้บริกรรมไปเรื่อยใช้คาถาสมเด็จโตก็ได้เมตาม ต, าตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปียวใจก็จะสบายสงบแล้วการที่เราเป็นคนคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะก็พวกคิดมากคือดูจิตเอาดูจิตก็คือจิตไม่คิดไปแล้วเกิดสุกรู้เกิดทุกรู้เกิดกุศลอกุศลรู้ ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่มันคิดนะแต่พอมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้เอาแล้วเราจะเห็นมาทุกอย่างเกิดแล้วดับน ะ, ะพวกโทสะจริตเนี่ยพวกมีบุญนะเพราะว่าพาวนาง่ายโทสะกับปัญญาเนี่ยมันกลุ่มเดียวกันลักษณะของโทสะกับปัญญานะมีลักษณะร่วมกันนะคือทําลายล้างอย่างรวดเร็วปัญญาเนี่ยทาลายอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งใดถ้ามันทิ้งสิ่งนั้นเลย โปรสาเนี่ก็ทำลายเหมือนกันงั้นพวกโปรสาเนี่ยมักจะปัญญากล้าหนูไปดูจิตในมุมมองของอนัตตาไว้เห็นไหมจิตทำงานได้เองเห็นไหมจิตโกรธได้เองหนูดูมุมมองของอนัตตาไว้นะค่ะหลวงพ่อคะแล้วหนูไม่มีอะไรในการทำรูปแบบเลยคะ่ะหนูต้องบริกรรมไปข อ, อบริกรรมเมตตาแทนเออนั<ช>่นแหละเราจะได้มีแรงกล่วาวนามสการหลวงพ่อคะ่ะ หนูปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณสามปีแล้วก็ส่งการบ้านเมื่อปิธีแล้วที่หลวงพ่อมาที่นี่ค่ะตามรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจําวันยังอยู่ในแนวทางอยู่ไหมคะกิเลสเกิดแล้ว ร, รู้ไหมทราบค่ะเออเห็นไหมกใจกับใจแยกกันได้ค่ะนะความสุขความทุกข์ก็แยกได้อก็อยู่ในแนวนั่นแหล ะ, ะไม่ใช่แนวหลวงพ่อนะครูท <laughs> ี่จ้างสอนมาอย่างนี้ ต้องมีมีมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมครรู้ทันใจไปนะใจเราเศร้าหมองง่ายเราก็รู้ทันเอาเดีบหร่อยให้ความเศร้าหมองมันคล่อบงานานมันเศร้าหมองก็รู้ว่ามันเศร้าหมองมันหงุดหงิดลำคาหรู้ว่าหงุดหงิดเนี้ยดูเข้าไปตรงๆเลยนะแล้วนจะเห็นไม่กระเด็นออกไปแต่ไม่ได้ดูเมื่อไล่มันหรอกรู้ทันมันมันไปของมันเองใจจะได้มีความสุขมีความสงบขึ้นใจมันฟุ้งไปครับ กลับหลวพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเราเจอในภาวะวิกฤตนะเจ้าค่ะคือโยมเคยเจอภาวะวิกฤตว่าเหมือนเรา <c oughs> เหมือนขันมันแตก่ะอาการที่เหกิอแตกแล้วก็ตัวหดเหลือนิดเดียวแล้วก็เหมือนตัวเองรู้สึกว่าตายแน่ๆทีนี้โยมก็เลยเข้าไปดูดูกายความรู้สึกของกายแล้วก็ ดูใจที่มันกลัวว่ามันกลัวหรือเปล่าเราก็เห็นว่าพอเข้าไปดูเนี่ยใจมันก็คายออกค่ะทีนี้มันเป็นนานเจ้าค่ะหลวงพ่อทางกายเนี่ยเป็นนานแต่เราดูเข้าไปที่ใจใจมันก็จะเฉยๆล ะ, ะทีนี้มันก็ทีนี้มันนานมากดูสลับทางกายทั้งใจมันก็รู้สึกแม่มันเบื่อๆก็เลยกลับมาดูที่ลมหายใจอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้นี่เรากลับไปทาสมถะ เวลาที่เราทำวิปัสสนานะหเห็นความจริงของกายของใจจนเราเหนื่อยเราหมดแรงแล้วก็กลับมาทำสมถ ะ, ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ถ้าตายตอนนั้นอาจจะได้ไปเป็นพรหมแต่ก็ดูดูการทำงานไปอาจจะได้มากผลถ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจถ้าเราได้เข้าไปเห็นตรงกายมัน มันคงไม่ตายง่ายมั้งคะไม่ตายง่ายไม่ตายง่ายเพราะว่ามันมันคายออกแต่ถ้าเราตกใจกลัวเนี่ยมันจะยิ่งรัดใช่ไหมเจ้าคะอยู่อยู่ที่ใจนะค่ะอยู่ที่ใจเราใจเราสบายใจเราผ่อนคลายนะร่างกายก็ผ่อนคลายด้วยแต่ถึงคราวจะตายนะใจดีพิเศษเงี้ยก็ตายนะถ้าเราหันไม่นิพพานหรอค่ะค่ะงั้นโยมก็ทาถูกนะเจ้าคะเออถูกค่ะขอบคุค่ะครับนต่ว่ตาย หมดคําถามเท่าที่คนอื่นจะถามนะครับก็อขอเราทะกคนนะครับแข็งแรงกว่าปีกลายอีกตั้งใจกล่าวคําถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทยทานแด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ได้โปรดรับปัจจัยทยทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ของข้าพเจ้าทั้งหลายาทั้งในปัจจุบั น, น, จจบนและอนาคตด้วยเทินเยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสากลังเอวามวายิโตทินังเบตานางุกปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปา จั น, ธนโธปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตุสพโรโครวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะาอภาิวาทนาศีลิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพระลังอ่ราะให้พ่อนเร็วหน่อยโสกสารผู้เท่านั่งอย่างนี้นะ <laughs> เีปัจจัยลจหลวงพ่อให้หมอไว้คอดกระถิน่นอะไรซื้อเครื่องฟอกไตครับพอดีโรงพยาบาลลาปางร่วมกับวัดที่ห้างฉัด น, นะครับกําลังจะจัดซื้อเครื่องฟอกไตเพื่อเอาไว้ใช้ที่โรงพยาบาลลาปานะครับก็ขอให้พวกเราเอานุโมทนาบุญร่วมกันทุกคนนะครับหลวงพ่ออนุโมทนาทุกท่านนะทั้งผู้จัดทุกฟังนะจีวอนนี่ฝากหมอไว้พระไม่สบายมันนะ ตรงไห้ที่วัดเก่าๆมองไม่ได้